เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทาน มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฝังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพื่อความสุขที่แท้จริงความสุขที่พวกเราตอนนี้มีอยู่ พระพุธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขกลองพอเป็นความสุขชั่วกลาวเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปเหมือนกับการรับประทานอาหารพรรับประทานไปเสร็จแล้วก็อิ่มไปได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องรับประทานใหม่ นี่คือความสุขที่พวกเราได้กันจากข้าวของเงินทองต่างๆจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโภธพภัจากร่างกายที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเราเลยไม่เคยได้พบกับความอิ่มความพอความสุขที่ได้มาแล้ว จะคงอยู่กับเราไปตลอดมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพรองค์แรกที่ค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่อยู่กับใจไปตลอดความอิ่มใจความสบายใจความเบาใจอยู่กับใจไปตลอดแล้วใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เป็นสิ่งที่ถาวรอย่างใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแต่พระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนกับการไม่มีร่างกายเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายเหมือนพวกเราที่ตอนนี้ยังต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้ร่างกายเพื่อสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผูภภ้ัพอภะต่างๆพอเราได้สัมผัสเราก็เกิดความสุขใจแต่พอเราไม่ได้สัมผัสความสุขใจนั่นก็หายไป เช่นเวลาเราไปชมภาพยนตร์เวลาเราชมเราก็มีความสุขใจพอเราออกจากโรงมาความสุขใจนั้นก็หายไปพอเห็นโฆษณาภาพยนตร์เรื่องใหม่เราก็อยากจะดูใหม่ดูกี่เรื่องก็แบบเดียวกันดูแล้วก็มีความสุขชั่วคราวหลังจากนั้นก็อยากจะดูใหม่ เวลาไม่ได้ดูก็งดเกิ็รํำคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมานี่แหละคือความสุขที่พวกเรามีกันได้กันทางศาสนาเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเหมือนกับอาหารปลอมอาหารปลอมก็คือภาพของอาหารที่เราเห็นที่เขาถ่ายภาพมาแล้วก็มาตั้งไว้ที่ข้าหน้าเราแล้วบอกเชิญรับประทานอาหารนี้ได้เลย ซึ่งเป็นเพียงแต่ภาพของอาหารไม่ใช่ตัวอาหารดูไปจนวันตายก็ไม่มีวันอิ่มฉันใดความสุขที่พวกเราได้รับก็เป็นอย่างนั้นเป็นความสุขปลอมต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่เคยพบกับคำว่าพอว่าอิ่มแล้วก็เวลาไม่ได้รับความสุขก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่เวลาเราสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปเวลานั้นใจของเรานี้จะมีความทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่รู้จักทาใจควบคุมใจเราอาจจะคิดกระทืกับการทำร้ายชีวิตของเราก็ได้อย่างคนบางคนที่สูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียที่บุคคลที่รักไป ไม่รู้จักทำใจไม่รู้จักหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจก็เลยไม่อยากจะอยู่ต่อไปพออยู่ก็มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความทุกข์ใจก็เลยฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายนี้เป็นการฆ่าผิดที่เพราะความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไปฆ่าร่างกายก็เหมือนกับไปจับคนที่ไม่ได้ทำผิดมาลงโทษเช่นนายกอเป็นคนไปฆ่าแล้วก็ไปจับนายขอมาลงโทษอย่างนี้มันไม่ได้จับตัวการที่ไปทำผิดร่างกายไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เวลาใจไม่สบายใจกลับไปฆ่าร่างกาย อันนี้ไม่ใช่เป็นวิถีทางของคนฉลาดคนฉลาดจะต้องมาฆ่าคนที่ทำให้เราไม่สบายใจใช่ไหมไถลที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือความหลงของเรานี่เองหลงไปรักไปชอบของที่ไม่ใช่ของเราหลงไปรักไปชอบของที่อยู่กับเราเพียงชั่วคราวพอเขาจากเราไป เราก็เศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยากจะให้เขากลับคืนมาอีกถ้าเราอยากจะหายจากความเศร้าโศกเสียใจเราต้องฆ่าตัวที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจก็คือความอยากที่เกิดจากความหลงนี้เองอยากให้ของที่เรารับกลับมาอยากจะให้ของที่เราสูญเสียไปกลับมา หรืออยากจะให้ของที่เรามีอยู่อยู่กับเราไปตลอดซึ่งเราไม่มองความจริงกันของต่างๆในโลกนี้มีอยู่กับใครไปได้ตลอดบ้างแม้แต่ร่างกายอันนี้ของแต่ละคนยังไม่อยู่กับเจ้าของไปตลอดเลยเจ้าของก็คือใจใจมาครอบครองร่างกายแล้วก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ สั่งให้ร่างกายไปเที่ยวไปหาความสุขให้กับใจแต่ร่างกายก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายพอตายไปแล้วจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีร่างกายใหม่แต่ยังมีความอยากก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บไข้ได้ป่วยใหม่มาตายใหม่มาสูญเสีย มาพัดพากจากของรักของชอบไปดังนั้นถ้าเราอยากจะฆ่าเราต้องไปฆ่าตัวที่สร้างความไม่สบายใจให้กับเราก็คือความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าของที่เรารักเราชอบนี้ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาจะต้อง เป็นไปตามเรื่องของเขาบางทีเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเป็นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมเป็นเช่นลูกเราเราคิดว่าเป็นของเราแต่เป็นของเราจริงหรือเปล่าเราสั่งเขาได้หรือเปล่าเราสั่งให้เขาดีสั่งให้เขาไม่ซนไม่ดื้อไม่เกเรได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้บางเวลาบางเวลาก็สั่งได้ เวลาสั่งไม่ได้แล้วเป็นยังไงใครเดือดร้อนเราเดือดร้อนคนที่ถูกสั่งก็ไม่เดือดร้อนแต่เราไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเขาไม่ดีเราอยากจะให้เขาดีเราก็เดือดร้อนแล้วนี่แหละเพราะความหลงเราไม่รู้คำว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นของเราเขาเป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยอยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้น พอเขาโตเขามีความสามารถที่จะอยู่ของเขาได้เขาก็จากเราไปเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาของเขาเขาก็ทิ้งให้เราอยู่เดียวดายต่อไปเวลาเขาไปเราก็เสียหกเสียใจเศ้าซ้อยงอยเหงาว่าเหวเมื่อก่อนมีเขาเป็นเพื่อนแต่พอเขาไปแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นเพื่อน เราต้องศึกษาความจริงมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้วเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะต้องมีวันจากเราไปจากด้วยวิธีใดก็ตามถ้าจากด้วยความพอใจก็ไม่เสียใจถ้าจากด้วยความไม่พอใจก็จะเสียใจ ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาต้องจากแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พอเขาจากไปเราก็จะไม่เสียใจถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่คอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนีนะ้แม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องจากเราไปร่างกายของเราก่อนจะจาก ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องแก่เป็นคนชราเป็นคนที่ไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อมันเป็นของที่เราไปเอามาเองเพราะเราไม่ไปศึกษาคุณสมบัติของของที่เราไปเอามา อย่างเวลาเราไปซื้อของเรายังไปดูไปศึกษาก่อนว่าของที่ซื้อมานี้ดีหรือไม่ดีถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ซื้อมาร่างกายนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ดีเราคิดว่ามันดีแต่พอได้มาแล้วมันถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บและมันต้องตายไปคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้ ท่านศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ดีจริงมันไม่ดีเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนจากดีมันก็กลายเป็นไม่ดีได้จากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าจากของดีก็กลายเป็นของเสียเช่นรถยนต์เราซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีขับไปไหนมาไหนสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาใช้ไปเรื่อยๆต่อไป ส่วนนั้นก็เสียส่วนนี้ก็เสียพอจะสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ติดก็ต้องพาเข้าอู่เข้าไปหาช่างเอามาซ่อมพอซ่อมเสร็จแล้วก็เอามาใช้ใหม่ใช้ไปได้และอีกระยะหนึ่งก็เสียอีกแล้วมันก็จะเสียเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้ หรือเสียบ่อยๆเรารำคาญก็เลยขายทิ้งไปดีกว่าหารถใหม่มาหาใหม่มาก็เป็นแบบเดียวกันอีกวิธีที่ถูกก็คือต้องไม่ไปหามันต้องอยู่แบบไม่ต้องมีรถต้องอยู่แบบไม่มีอะไรแล้วจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับสิ่งต่างๆที่เรามีนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงนำเนินพระพุทธเจ้าก็เคยมีทราบสมบัติ มีราบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันมีแต่ปัญหาตามมาเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปจะต้องเสื่อมไปเวลาเปลี่ยนเวลาเสื่อมมันก็ไม่ให้ความสุขเหมือนกับที่มันเคยเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยปลง่งไม่เอาดีกว่า ออกไปหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจการที่เราจะมีความสงบของใจได้เราก็ต้องทิ้งสุกถิ่มทุกอย่างไปเพราะถ้าเรามีสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะทำให้เราไม่สงบเราจะต้องห่วงเราจะต้องหวงเราจะต้องวิตกกังวลว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่ อ, อไหร่ เขาจะจากเราไปเมื่อไรเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อไรความห่วงความวิตกกังวลเหล่านี้จะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบได้ผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบจึงจาเป็นต้องสละความสุขที่ไม่แท้จริงความสุขปลอมไปจะเอาทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่า ถ้าเอาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ได้ถ้าเอาอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่ได้เหมือนกับความมืดกับความสว่างจะเอาทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไม่ได้ถ้าจะเอาความมืดก็ต้องปิดไฟใช่เวลาเราดูภาพยนตร์เราก็ปิดไฟเราถึงจะดูภาพยนตร์ได้ถ้าเราต้องการสว่างเราก็ดูภาพยนตร์ไม่ได้นี่คือความจริง เรื่องของความสุขแท้และความสุขปลองถ้าเราต้องการความสุขแท้ความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดเราต้องเอาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาพระพุทธเจ้าทรงสละความสุข ทางทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสละความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายและยอมสละแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะให้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจถ้าไม่สละทรัพย์ไม่สละอวัยวะคือตาหูจมูกปิ้นกายถ้าไม่ยอมสละชีวิตจะไม่ได้ความสงบจะไม่ได้ความสุขที่แท้จริง นี่แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านมีความฉลาดท่านไม่มีความเสียดายกับความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเลยเพราะก็เป็นเหมือนยาพิษดีๆนี่เองทำไมเราไปรักไปหวงยาพิษกันทำไมทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับความสุขที่เรามีนี่แหละเวลามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ที่คนต้องฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราเพราะว่าเพราะว่าสูญเสียความสุขชั่วคราวนี้ไปนั่นเองไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับเวลาที่ความสุขชั่วคราวนี้หมดไปพอไม่มีความสุขชั่วคราวก็เลยไม่รู้จะหาความสุขอย่างไรก็เลยไม่อยากจะอยู่อยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจ แต่ถ้าเราได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมและได้ทราบว่าเรายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรายังหาได้อยู่ที่เราสามารถมีได้โดยเฉพาะเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเป็นเวลาที่เราจะได้ความสุขที่แท้จริงเพราะพอเราสูญเสียสิ่งความสุขปลอมไปเราก็ต้องหันเข้ามาพิ่งความสุขจริง ความสุขจริงนี้ไม่ต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้แม้แต่ร่างกายไม่ต้องมีก็ได้เพียงแต่จะต้องมีธรรมะที่ทำใจให้สงบเท่านั้นสิ่งที่จะทำใจให้สงบก็คือสติถ้าเรามีสติเราจะสามารถดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบได้ หลังนั้นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราควรจะถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นโอกาสเพราะว่าเวลาถ้าเรายังไม่สูญเสียความสุขต่างๆไปเราก็จะขี้เกียจจะไม่อยากจะไปหาความสุขที่แท้จริงยังอยากจะอยู่กับความสุขปลอมอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขเชื่อคราวก็ยัง ยังอยากจะได้อยู่แต่พอเราไม่มีความสุขชั่วคราวแล้วเราก็ต้องหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราเพียงแต่เราทำใจให้สงบเท่านั้นด้วยการใช้สติดึงใจให้เข้าไปสู่ความสงบเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากการสูญเสียความสุขปลอมไปนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจเลยดังนั้นพวกเราควรที่จะมาซ้อมควรที่จะมาฝึกหาวิธีหาความสุขที่แท้จริงบ้างอย่ามัวแต่หาความสุขปลอมไปเรื่อยๆเพราะวันข้างหน้าเราจะต้องสูญเสียความสุขปลอมไป เวลาที่เราแก่ตาหูจมูกลินกายไม่สมประกอบจะดูจะฟังอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นเราจะหาความสุขจากอะไรเราก็ต้องมาหาความสุขจากความสงบ ข, ของใจนี้แต่ถ้าเรารอไปทำตอนนั้นเราจะไม่มีกำลังพอที่จะทำได้เพราะการเจริญสตินี้ต้องใช้เวลาฝึกฝน มากมากถึงจะสามารถมีสติได้ถึงจะสามารถทำใจให้สงบให้มีความสุขด้วยการอยู่ตามลำพังได้ให้มีความสุขกับความแก่ความชราได้ให้มีความสุขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้และให้มีความสุขกับความตายได้เราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปเพราะถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็จะเลื่อนไปเรื่อย วันนี้เราไม่ทำพอพรุ่งนี้เราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราจนตรอดถึงเวลาที่เราจะต้องทำมันก็จะสายเกินไปเหมือนกับการที่เราไม่เตรียมไฟไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงเอาไว้เวลาไฟไหม้ก็ไม่มีเครื่องดับไฟกว่าจะไปหาเครื่องดับไฟมาดับบ้านก็ถูกไหม้เผาไหม้ไปหมดแล้ว แต่ถ้าเราเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ที่บ้านพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะสามารถดับไฟไว้ได้ทันท่วงทีการเจริญสติการฝึกทำใจให้สงบนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการเตรียมน้ำดับไฟของความทุกข์ใจของเราที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อน พอเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะไม่มีน้ำมาดับไฟแล้วเราก็จะไปดับสิ่งที่ไม่ควรจะดับก็คือร่างกายของเราที่ไม่รู้อิเหนนกับความทุกข์ใจของเราความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากเกิดจากความหลงถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจเราก็ต้องมาดับความอยากและดับความหลงการ ที่จะดับความทุกข์ใจดับความหลงก็คือการใช้สตินี่เองให้สติทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากความหลงก็จะหยุดทำงานไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่หยุดอย่างถาวรนเวลาใจออกจากความสงบมามันก็จะเกิดความอยากเกิดความหลงใหม่ได้ถ้าอยากจะทำลายความอยากความหลงให้หมดไปอย่างถาววน ก็ต้องใช้ความจริงมาแก้ความหลงความจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรจะให้ความสุขเราไปตลอดต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาจะต้องหยุดให้ความสุขกับเราและวันนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ไม่ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ พราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาถ้าเรามีความจริงเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะได้คนนั้นคนนี้อยากจะได้ความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานเราก็จะไม่หาความสุขแบบนี้ต่อไป เราจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ พ, พยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆสติคืออะไรก็คือการระลึกรู้อยู่เรื่องเดียวอย่าให้ใจรู้อยู่หลายเรื่องเช่นอยากคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพราะถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้วิธีที่จะทำใจให้สงบต้องคิดอยู่เรื่องเดียว เช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็ท่องพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับพุทโธไปไม่ว่าเราจะต้องไปทําอะไรต้องเข้าห้องน้ําอาบน้ำํำอาท่าล้างหน้าแปรงฟันหรือทําอะไรต่างๆออกมาจากห้องน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ท่องพุทโธพุทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดร่วยเปื่อยคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาทำให้ใจเราวุ่นวายแล้วพอเราไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลารักษาไม่ได้เวลาเขาจากเราไปก็ต้องมาเสียใจ ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งต่างๆเราก็จะไม่เกิดความอยากใจของเราก็จะว่างเย็นสบายมีความสุขไม่มีความหิวอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำจเจริญสติพุดโธพุดโธไปเรื่อยๆแล้วพอเวลาเราไม่ต้องทำอะไรก็อย่าไปเปิดทีวีดูอย่าไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินมานั่งขัดสมาธิหลับตา ตั้งตัวให้พรงแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปดีกว่านี่เป็นการให้อาหารใจที่แท้จริงใจมันหิวกับอาหารปลองอาหารในตู้เย็นนี้เป็นอาหารของร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารของใจร่างกายไม่หิวแต่ใจหิวแต่ร่างกายาใจบังคับให้ร่างกายกินอาหารทั้งทั้งที่ร่างกายมันบอกว่าพอแล้วน้ำหนักเกินแล้ว แต่ใจบอกไม่ได้ต้องกินเพราะเราต้องการเราอยากจะกินทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ไม่ได้กินอาหารของร่างกายเพราะใจไม่รู้จักอาหารของใจว่าอยู่ที่ไหนอาหารของใจก็อยู่ที่ความสงบนีอ่อยู่ที่การเจริญสติอยู่ที่การนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิด้วยสติอย่างต่อเนื่องใจก็จะสงบพอสงบแล้วใจก็จะอิ่ไม่หิวไม่อยากอะไร ถึงแม้จะอดข้าวอดปลาก็จะไม่เดือดรอ้อนอย่างพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ถึง49วันด้วยกันคิดดูท่านอดได้อย่างไรเพราะใจท่านไม่หิวใจท่านมีความสงบแต่พวกเรานี้กินไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอกินไปได้สองสามชั่วโมงก็อยากจะกินอีกแล้วกินไปจนกระทัง่งร่างกายบอก ไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ยังหยุดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารกับใจนั่นเองเราต้องมาให้อาหารกับใจถ้าใจอิ่มแล้วรับรองได้ว่าร่างกายนี้จะไม่อ้วนไม่ต้องไปออกกาลังกายไม่ต้องไปลดน้ำหนักดูพระที่ท่านฉันวันละมือดูมีใครอ้วนบ้าง พวกเรามันไม่ได้กินกับมันละมือวันละสามมื้อสี่มือม้อบางทีตื่นขึ้นมาตอนดึกยังมาเปิดตู้เย็นหาอะไรกินต่ออีกนี่เพราะว่าใจไม่ได้รับอาหารใจไม่ได้รับความสงบใจไม่มีความสุขดังนั้นขอให้พวกเรามาแก้ปัญหาให้ถูกจุดมาแก้ปัญหาที่ใจใจที่หิวที่โหยที่ทุกที่วุ่นวายนี้ก็เพราะว่าเราไม่ให้อาหารกับใจ ไม่ให้ความสุขกับใจความสุขของใจอยู่ที่ความสงบเกิดจากการมีสติเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการสอนใจให้ฉลาดไม่ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าเราจะมีความสุขไปตลอดต่อไปใครจะจากเราไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะสูญหมดไปก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องใช้มันเรามีความสุขเรามีความสงบเป็นสมบัติของเราจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสละความสุขปลอมและเพื่อมาสร้างความสุขจริงด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาสิงด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญานี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้ากานเธอ